เธอจะอยู่คนเดียวเงาเงาทำไมอากาศหนาวหนาวยังนี้ยควรมีใครให้ก่อนเธาจะโสดแบบนี้ไปถึง แฟนพาเธอไปชี่ยวแผล baby girl เอ y ม u r m ม n เดินไปเซิร์ฟกันในไนท์คลับ tight boy ย่าพูเธออยู่ไทยแลนด์เห็นคุณบอกว่ายังมีแฟนแล้วก็เลือกในคนไหนะแล้ตอนเธอสนใจผู้ชายรวยๆรู้ว่าหุ่นเซ็กซีแล้วเธชอบยังไงช่วยอธิบายช่วบอกสเปกติเธอจะกินสเต็กแล้วเธอจะกินสปเกตตแล้ถ้าธอชอบ The r a p าดูที่เพ BBS มาช baby เธอบอกว่าเธอเป็นแฟนกันต้องพไปชอบี่ u C เธอบอกว่าเธอเป็นแฟนกันต้องโอเข้ามาในเรื่ัญชีเธอบอกว่าเป็นแฟนกันแล้วจริงๆไม่นอกแต่นัคนดีเธอบอกว่าเป็นแฟกัน ไม่คม่อยเมันใจแต่ เ, เมันชอบ